ที่ประเทศไต้หวันมีผู้ยญงคนนึ่งน่าสนใจมากิ่งได้รับรางวัลแม่กสายไซเมื่อสองสาเดินที่ผ่านมาแม็กซายไนี่ก็ถือเป็นรางวัลน่ชื่อสําคัญที่สุดรางวัลนึงในเอเชียผี่วันนี้ก็คงคล้ายาพวกเรานะเป็นแม่ค้าขายผักเป็นแม่ค้าขายผัก แต่ว่าจิตใจนี้ยิ่งใหญ่มากเขาบริจาคเงินให้กับสาธารณประโยชน์เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลบริจาคไปแล้ว10ล้านบาท10บล้านดอลลาร์ไต้หวันก็ประมาณ1ิบล้านบาทาบา ท, าาบา ท, ที่จริงเธอเป็นแม่ค้าขายภองธรรมดานะแล้วก็แตขยัน ตื่นตีสองตีสามไปตลาดขายขอมขายทั้งวันนะกว่าจะเสร็จก็สองทุ่มวันหนึ่งทำงานส6บชั่วโมงผักที่ขายก็เป็นผักธรรมดาธรรมดาขายตามตลาดนี่แหละมันก็ตลาดแก้งคอนะกา ร, รมึงก็30บาทนะของไต้หวันมันเศรษฐกิจมันดีกว่ามึงไทยมันของก็ผักก็จะแพงกว่าน่อย แล้วขายถูกนะถ้าซื้อเยอะก็ล ด, ด้วยเอ้ยทำไมคนที่เป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดาถึงมีเงินบริจาคเยอะขนาดนี้นะเป็นร้านลานก็เพราะเธออยู่แบไง่ายๆนอนพื้นกระดานเธอบอกว่านอนพื้นธระดาไม่หมืนสบายดีต่อสุขภาพอาหารก็กินง่ายๆไม่มีรถนะเดินไปตลาดก็ ไปตลาด ก, ก็เดินเอาอาศัยขาสองข้างไม่มีครอบครัวเธอมีชีวิตแบบเรียบง่ายมากอาจจะเหมือนพระเลยก็ได้แต่จจยิ่งกว่าพระเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกเป็นร้อนเพราะว่าเธอมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตแบบไม่ง่ายวันหนึ่งก็ใช้ค่าอาหารประมาณร้อยบาท สา ม, ม้ส่วนใหญ่คงเป็นผักแล้นะเพราะเธอมันรรมำ ร, ร้านทำโมด้วยขายถูกแต่ว่าใช้น้อยมันก็มีเงินเหลือเยอะเริ่มเงินจะไปทำอะไรลนะจะไปซื้อบ้านหรือจะไปซื้อรถ เ, เธอก็ไม่ต้องการก็เลยเอามาช่วยคนที่เขาต้องการรู้เดือดร้อนมากกว่า ก็คนยากจนจนโรงพยาบาลเธอนี่ก็มีความหลังกับโรงพยาบาลมากเพราะว่าแม่ตายเพราะเนื่องจากไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีเงินไม่มีเงินให้โรงพยาบาลมีเงินล่วงหน้านะโรงพยาบาลก็เลยไม่รับแม่ก็เลยตายเพาเป็นคนยากจน แต่ว่าก็ไม่ได้เกียดโรงพยาบาล น, นะกับกับพยายามที่ช่วยให้โรงพยาบาลเขามีมีทุนมีรอนสหรับช่วยเหลยคนยากจนเธอก็ทำนี่มาส0มสิบปีแล 34, ้วสามสิบสี่ปีแล้วเป็นแม่ครับของตั้งแต่ยุคสิบสองสิบสสิบสี่เพราะว่าที่บ้านยากจนเป็นคนเรียนเก่งต่ว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเสียก็เลยต้องมาขายผักปลวันนี้ สามสิบี่สิบปีก่อนี่เหมือนเมืองไทยนะคนยากจนก็ไม่มีปัญญาเรียนหนังสือถ้าเจ็บป่วยนี่ก็ต้องช่วยตัวเองเพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่มีนโยบายเพื่อยคนจนถ้าไม่มีเงินเขาก็าไม่รนะับโรงพยาบาลเอกชนเมืองไทยเราสมัยก่อนก็แบบนี้แหละแต่เรนนี้ดีขึ้นเยอนะแลเพราะเรามีโครงการสาสิบาทไม่มีเงินก็ก็มี มีทุนมีรอรักษาพยาบาลได้เอาเงินของรัฐก็มีคนถามว่าทําไมถึงเอาเงินไปช่วยคนช่วยสวย่วนรั้วตเยอะแยะเป็นล้านๆทาไมไม่เก็บไอาใช้เองแล้วก็บอกว่าเงินเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการใช้คือเธอไม่ต้องการใช้เงินไอ้สิล้านเนี่ยเมื่อเธอไม่ต้องการใช้นก็ไม่มีประโยชน์ก็เอาไปให้คนอื่นที่มีประโยชน์หรือจะใช้ประโยชน์ได้ ก็โรงเยียาบ้างนะโรงเรียนบ้างคนยากคนจนบ้างอันนี้เนี่ยพวกเราซึ่งถ้าเลิกเราคิดว่าโอ๊ยฉันยากจนเหลือเกินนะฉันจะช่วยใครได้นี่ต้องเอาผีคนนี้นะเป็นแบบอย่างโดยชื่อเฉินสู้จีเฉนะินสู้จีก็เป็นก็เลยเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เยอะ ตอนน้นี่ก็ไม่ได้อยู่สบายในสายตาคนข้างนอกนะนอนพื้นนอนค้นนาแต่ว่าเธอสบายของเธอเพราะว่าความพอใจอยู่ย่างเรียบง่ายเป็นคนธรรมดาก็สามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือช่วยโลกได้บางคนบอกว่าฉันจนฉันเป็นหนี้มีห ม, ม, ม, มีสินเยอะนะแต่พี่ยงวันนี้ก็ก็จนเหมือนกันแต่ว่า ไม่มีนี่ิสัยมีทรัพย์สินมากมายเพราะความขยันและความสมรรถขยันแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายนักปฏิบัติธรรมก็น่าเป็นดั่อย่างนะว่า<ม>เธอทํามาเวลาสิบหชั่วโมงแต่ก็มีความสุขนักปฏิบททัติธรรมบางคนทํางานชั่วโมงสองชั่วโมงก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วนะฉันฉันขอกลับไปปฏิบัติกดีกว่านะนี่เธอตื่นตีสองตีสามจนถึงสองทุ่ม ก็ยมีความสุขนะแล้วก็ความสุขก็สามารถจะแบ่งปันให้คนอื่นได้และนอกปฏิบัติธรรมต้องต้องเข้มแข็งนะแบบนี้แหละคือว่าเจองานหนักก็ไม่ท้อนะไม่ใช่ว่าทํางานนิดนิหน่อยหนก็ไม่ไหวแลวจิตใจไม่สงบว้าวุ่นนะขอหลีกเล่นผิดตัวขอไม่ทํางานได้ไหมอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่อ่อนแอแต่ว่าชาวโลกเขา บางที่ก็เข้มแข็งกว่าด้วยซ้ำแล้วจิตใจเ ก, ก็ใหญ่ไม่มีความเป็นแกตัวที่จริงคนไทยเราก็ชอบทาบุญนะแต่ว่าไอการทําบุญที่น่าจะทํามากที่สุดคือการช่วยเหลือส่วนรวมเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเดี๋ยวนี้คนไทยเราชอบทําบุญแต่ว่าทําบุญด้วยการสร้างวัดสร้างเสาผาวรวัตถุซึ่งมันก็เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะแต่ว่า บาจะไม่ได้ช่วยชีวิตคนดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นการช่วยคนที่ทุกข์ยากนยคนที่เจ็บป่วยไม่จำเนต้องสร้างตึกหรือเป็นโรงพรยาบาลก็ได้แต่ว่าเป็นมูลนิธิให้ให้คนยากคนจนเขาได้ใช้สอยได้ประโยชน์นอันนี้ก็ดีแต้คนไทยเราต้องมาหันมในเรื่องการทำบุญ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บ้างนะเดีย๋ยวอย่าไปเน้นแต่เรื่องการทําบุญเพื่อสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือว่าทําบุญกับพระอย่างเดียวเราไม่ได้คิดว่าทาบุญกับพระได้บุญเยอะนะแต่ว่าไปทํากับคนยากคนจนที่เขาเดือดร้อนนี่มันก็อ น, นิสงส์ก็เห็นทานตาเวลาทําบุญก็อย่านึกว่าเราจะได้อะไรแต่นึกว่าเออคนที่เขาได้รับนี่ก็จะได้ประโยชน์อะไรด้วย ถ้าเราคิดแต่ว่าเราจะได้บุญได้บุญแต่ว่าไอเงินที่ลงไปให้ไปนี่มันก็เป็นแค่อีกเป็นแค่ปูนประโยชน์มันน้อยนะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุดมีอิดมีปูนเยอะแลววัดก็มีอีกมีปูนเยอะจนถ้าไม่มีที่ให้ต้นไม้ได้ขึ้นเดี๋ยวที่มันเยอะไปนะไปวัดที่ไหนที่ไหนก็มีแต่อีกมีแต่ปูนทางที่นี้เนี่ยธามาเดินมีทับายนี่แค่ไม่ได้เหยียบดินเลยนะเดี๋ยวนี้ สมัยก่อนที่ไหนเหยียบดินบ้างออกจากวัดไปก็เหยียบปูนตลอดนไม่ได้เหยียบดินแล้วเราไม่ค่อยมีที่ให้กับต้นไม้แล้วเดี๋ยวนี้เราเอาเงินมาสร้างทำอิดทำปูเนเยอะแต่ว่าอเงินที่มาช่วยชีวิตคนหรือให้การศึกษาคนนี่น้อยนะต้องหันมาทุ่มเทด้านนี้บ้างเงินที่ใช้สร้างอีกสร้างปูนนี่น้อยลงไปก็ดี เมื่อตอนเกิดเหตุการณ์สึนามินะที่เมืองไทยเนี่ยปีสี่เจ็เนี่ยมันมีวัดหนึ่งนะเจ้าว่าเป็นชาวเวียดนามที่แคนาดาเขาได้ข่าวแล้วเขาไม่รู้จะช่วยยังไงนะเพราะว่ารู้ว่คนไทยแล้วก็หลายชาติเดือดร้อนมากเฉพาะคนไทยก็ตายไปห้าพคนเขาทำยังไง ร, รู้ไหมเขาประกาศขายวัดเลยเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยคนไทยช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ บอกเขาไม่มีปัญญาจะาหาเงินมาทำอื่นแล้วก็อยากจะช่วยคนไทยเพราะคนไทยจะช่วยคนเวียดนามคนริพายชาวเวียดนามก็ได้รับความช่วยเหลือคนไทยทจริงๆได้รับความเดือดร้อจากคนไทยก็เยอะนะไปค้นเขาไปจับเข้ามาฆ่ามาข่มขืนนี่ก็เยอะนะแต่ที่ช่วยก็เยอะเหมือนกันเขาก็รู้สึกขอบคุณซาบซึ้งคนไทยไม่เกลียดชังที่มันมีข่าวเรื่อง ไปก่อการทําเสถีกับชาวเวียดนามที่อพยพนะเขารู้จักเลือกมองพระลุมนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็อยากจะขายวัดหน้านี้นี่หน้าน่าแปลกนะบางทีคนไทยเราทําตรงข้างคือลักษณเลยคนยากคนจนหรือคนที่เดือดร้อนแต่ว่าจะสร้างวัดแต่ว่านี่พระชายเวียดนามเนี่ยจะขายวัดเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากชุดนี้นน บางคนจะเชื่อวันนี้ก็สําคัญนะมันเป็นที่ให้ธรรมะแา่ผู้คนเราก็ธรรมานี่มันมีผลต่อจิตใจให้ผลยัง่งยืนกับการช่วยทำวัตถุเช่นซื้ออาหารซื้อเครื่องนิ้งผมคนเราต้องการธรรมะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ต้องการอาหารและเครื่องมิ้งผมเท่านั้นนะแล้วถ้าไม่มีวัดนี่ใครจะจะสอนธรรมะเรียนอะไรแต่ที่จริงเนี่ย ให้การที่พระท่านประกาศขายวัดเพื่อช่วยคนยาก <sk r isa> คนจนในเมืองไทยนี่ก็เป็นการประกาศธรรมะอย่างหนึ่งนะเป็นการประกาศธรรมที่จริงจังเห็นชัดมากผู้ประกาศเมตตาธรรมไอการพูดว่าเมตตาเมตตามันไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดไม่แสดงออกเป็นการกระแลนะสิ่งที่ท่านทํานี่ก็เป็นการประกาศธรรมอย่างหนึง่งประกาศธรรมด้วยการขายวัด ไม่รู้ได้ตกลงขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้มันแสดงน้ําใจว่าในยาที่คนตกรถได้ยากนี้น้องช่วยเหลือกันให้การคนเราเนี่ยใครที่ตกรถได้ยากก็ต้องการไม่ใช่แค่ต้องการเครื่องมือผมก็ต้องการความต้องการน้<ม> Lebanon, นําใจเี็นแค่รั่วใครมีน้ําใจเขาเขาก็มีความสุขแล้วถ้ารู้ว่าเออมีพระที่นนทีนี้มาจะช่วยจะขายวัดให้ผมเขาก็สุขทราบซึ้งทราบสึนงใจถ้ามันยังหิวอยู่ยยนัแต่ก็ทราบซึ้งใจแล้วเพียงแค่ได้ข่าว อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์งการประกาศธรรมแบบหนึงนะ่งเนาะประกาศธรรมบางทีไม่ได้แสดงด้วยคำพูดหรือว่านั่งทำมมานะแต่ว่าแสดงออกด้วยการกระทำด้วยความเยสละก็เป็นการประกาศธรรมเหมือนกันอี น, นี้เราก็ต้องอต้องเข้าใจนะเราก็ต้องไต่ตองดูอ่าเราก็เตรียมรับพร